สิกขาบทที่7ถามทรงบัญญัตทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินมองดูในที่นั้นๆไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คีเดินมองดูที่นั้นๆไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัตบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา